นี้ก็เหมือนการนั่นแห ะ, ะเราเป็นวัดวาศาสานาเราก็ต้องมีที่พักภาอาศัยเป็นธรรมดาเราก็ไม่ได้เน้นดนักให้หรูหราอูออารอะไรเพียงแต่ว่าให้ได้อยู่พักภาอาศัยตามอัตภาพถ้าว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย ส, สมซอเกินไปก็ทำให้เก ล, ลกเอตกเิเลสเขาตำหนิไตได้เพราะนั้นเราก็ต้อง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 หลีกลีหนีพ้นไปได้ อ, อ, อันนี้พูดแล้วพูดอีกแต่ถึงยังไงจะทำยังไงจุดนั้นนี่แหละอยากจะให้พวกเราทุกทุกท่านอยู่นสถานที่ใด <c oughs> อยู่นเ อ, อ, อยู่ตามลำพังรออยู่นสถานที่ใดเดินยังกลมเดินบินท่าบาทก้าวขาให้มีสติภาวนาไปด้วยทุกครั้งถ้าเป็นไปได้พอลำาลึกได้ปุ๊บ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 บังคับให้ม่ออกมาหาต้องบังคับให้ออกนะถ้ามันไม่ออกจะไม่เกิดประโยชน์อะไรนหลวงปู่มั่นบังคับท่านก็ บ, บังคับให้ออกเมื่อออกพิจารณาพิจารณาอะไรพิจารณาพิจารณาร่างกายตั้งแต่เกสาโลมาเกสาผมโลมาขนหนาาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายให้เห็นเป็นอสุภปฏิกลุ อ, อท่านบก ดูทลกหนังออกไปเออทลกแล้วทลกอีกเออดูแล้วดูอีกในร่างกายทุกส่วนอย่างละเอียดทีท่วนเหมือนกับเราคลาดนาคลาดแล้วคลาดอีกคลาดแล้วคลาดอีกเออจนถึงละเอียดทีท่วนเออแล้วก็กลับมาอีกคลาดอีกพอเราพิจารณาอย่างนี้โอ้ทาไม